เอานะ่ายอย่าซีเรียกเรื่องเที่ยงยั ง, ยงไม่บายมีชายคนหนึ่งพร้อมกับเพื่อนไปนั่งรอรถไฟที่สถานี รถจะมาถึงเวลาบ่ายโมงชายคนนั้นก็บอกให้เพื่อนไปดูนาฬิกาที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานีว่าบ่ายโมงแล้วหรือยังเพื่อนก็วิ่งไปดูแล้วก็กลับมาบอกว่าเที่ยงยังไม่บ่ายทั้งสองก็นั่งรอรถกันต่อไปนั่งรอกันอยู่พักใหญ่ก็บอกให้เพื่อนวิ่งไปดูนาฬิกาอีกที ว่าบ่ายโมงหรือยังเพื่อนก็วิ่งไปดูอีกแล้วก็กลับมาบอกว่าเที่ยงยังไม่บ่ายก็นั่งรอรถกันอีกจนกระทั่งตะวันคล้อยไปแล้วก็บอกให้เพื่อนวิ่งไปดูนาฬิกาอีกสักทีเพื่อนก็วิ่งไปดูแล้วก็กลับมาบอกว่าเที่ยงยังไม่บ่ายเหมือนเดิม ชายคนนั้นก็เกิดความสงสัยจึงพูดกับเพื่อนว่าไหนนาฬิกาที่เองวิ่งไปดูมนอยู่ตรงไหนเพื่อนก็พาไปดูพร้อมกับชี้บอกว่านี่ไงละ่ะชายคนนั้นหัวเราะไม่ออกจึงพูดออกมาว่าโธ่เอ้ยนั่นมันเครื่องช่างน้ำหนักตั้งหาไม่ใช่นาฬิกา เองเข้าใจผิดไปแล้วข้อคิดจากเรื่องนี้การใช้คนโง่ค่าวเบาปัญญาไปทำสิ่งใดอาจทำให้เกิดความเสียหายฉะนั้นพึงระมัดระวังในการใช้คน